เอ็นสานบุชนบริษัททั้งหลายส <c oughs> ำหรับวันนี้ก็จะได้มาปรารถเรื่องการปฏิบัติเพื่อวิชาสามเพื่อตามหลักสูตระองค์สมเด็จพระสัมมาสมยายาัมพุทธเจ้ามีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งสุขาวิปัสสโกสองเตวิโชได้แก่วิชาสาม สามชละพิญญูได้กแก่พิญญาหกืีปริสัมพิทั ป, ประตูได้กแก่ปริสัมพิทาญานโดยพาะ อ, อย่างยี่งสำหรับสุขวิปัสสโกเป็นการปฏิบัติเพื่อใชอารมณ์คิดมากที่สุดเพรว่ใชอารมณ์คิดควบคู่กันไปกับการพิจรารณาขณะใดาที่จิตยังทรงอยู่ในอารมณ์คิดที่เราต้องการ ขณะนั้นก็เชื่อว่ามีสมาธิและก็สมาธิเขาสุขวิปัสสโกขณะที่ใช้อารมณ์คิดนั้นเมารมณ์คิดทรงจิตได้ถึงปฐมฌานคือว่ามีอารมณ์ทรงตัวไม่ดาคาญในเสียงที่แทรกเข้ามาในระหว่างคิดจิตทรงตัวอยู่ได้ตามสมบายตามอารมณ์ที่ตั้งใจไว กำลังจิตตอนนี้ท่านกล่าวว่าสามารถตัดกิเลสเป็นสมุทเทสหานเป็นประสดาบันได้และก็เป็นพระศรีทาคามีก็ได้แต่ตอนที่จะเป็นอนาคามีนี้องค์สมเด็จพระจินนสีสัจหว่าว่านาคามีเป็นผู้เมียที่จิตก็ต้องสามารถทังกำลังจิตทำลายรากฐานของความรักในกามารมณ์ ด้วยความโกรธความเยียมบาดด้วยกําลังของฌานแต่สําหรับท่านสุขวิปัสสโกท่านทําไปบางทีท่านอาจจะไม่รู้ว่าเป็นฌานเพราะทำไปทีละขั้นทีละตอนทําไปทีละเล็กเป็นน้อยใช้ลมพิจารณามากเมื่อจิตใจคำท่านยับยั้งตั้งอยู่ก็มีกําลังพอสามารถจะตัดการมฌันทะได้และตัดปริฆปคือความกระทบกระทั่งจิตได้ อีกก็สามารถเป็นอนณาคามีได้พอมาว่าเป็นวาระถึงพระอรหันตอนนี้ก็เป็นจริยาที่เก็บเล็กเก็บน้อยเ <c oughs> มื่อเป็นอารมณ์ที่แอนุสัยความที่อนุสัยนี่เป็นอารมณ์เบาๆแต่ถ้าว่าเหมือนกับคนไล่จับยุงการสู้กับช้างมีเป้าใหญ่สามารถทำลายชีวิตได้ไม่ยากนัก แต่แยุงเป็นเป้าเล็กอันตรายจากยุงน้อยก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเราฆ่ายุงได้ยากข้อนี้มีประมาณชั้นใดได้อนุสัยก็เช่นเดียวกันแต่อาศัยท่านสุขบิบเสโกที่เอารมมันในพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จตระสะ ม, มาสมุทัเจ้าท่านก็ไม่ทอ้อถอยในที่สุดท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้ รวงความว่าพระอรหันต์ขั้นขั้นสุขวิปสัสสโกก็จะต้องมีอารมณ์ทิ้งฌานสี่เหมือนกันแต่เราว่าเป็นอารมณ์ฌานที่ค่อยๆมาทีละน้อยดีลน้อยไม่ยากไม่ลําบากไม่ต้องเคร่งเครียดนักพรก็ค่อยทําไปตามลําดับทีละนิดทีละหน่อยกําลังจิตก็มีกําลังสะสมกันทีละน้อยทะน้อยจนถึงฌานสันสี่ ไม่ว่าจริยาที่จะเข้าฌานออกฌานด้ตามัตยาใสายย่อมเป็นไปได้ยากเพราะว่าท่านทำเพียงมีจิตตกินเลสเป็นสมุทเทตระหันหลังจากนั้นก็ใช้วิปัสสนาญาณคือพิจารณากันห้าเป็นความอยู่เป็นสุขอันนี้เป็นจริยาของท่านสุขวิปัสสโคสำหรับท่านปฏิบัติในเทวิโชคือลักษณะของวิชาสาม อารมณ์ความเป็นระโนดาวสิธิทาคารนาคารหันอาตมาจะของดไว้ไม่กล่าวเพราะว่าอารมณ์ความเป็นลรหันก็เหมือนกันก็ท่านสุขบิปัสยโกเพราะการตัดอารมณ์ก็มีท่านสุขบิปัสยโกเป็นพื้นฐานนี่สาหรับท่านเตวิโชริเชยะเจลพิญโยนีท่านก็ใช้อารมณ์เฉพาะ คือว่าอารมณ์เฉพาะที่เรียกว่าต้องการจะได้ทิฏฐิขยานกับปภพนิวาสานุสติยานแต่ยานทั้งสองนี้ต้องได้ก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันก่อนได้ยานนี้ก็เป็นอันว่าไม่ต้องได้กันต่อไป ถ้ามีพระอะไรพระว่าลักษณะของทิพย์โยคุยานก็ดีปกเพนิวาสานุสติยานก็ดีเป็นวิสัยขโรกีวิสัยเรบัญชารโลกีนี่ในหนึ่งที่เรียกกันก็เรียกกันว่ากีลาสมาธิไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อแท้ในหลักสูตรที่เราจะเข้าตัดมักตัดผลถ้าบางังเ อ, อิญไมได้มักได้ผลเสียก่อนแล้วเรืกีลาสมาธิก็ไม่ต้องทํากัน เมื่อคืนทาไปก็ไม่มีเบี่ยอะไรเสียเวลาเปลา่ทาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการฝึกวิสองในวิชาสามเครือทิบย์จะขุยยนกับปุเพนิวาสารุสติยาน <c oughs> ต้องใช้กำลังสมาธิสูงมากเว่าสมาธิมีกำลังหนักต้องมีความเข้มข้นในการเจริญฌานสมาบัติ นีเฉะนั้นแล้วผลก็จะไม่มีแก่ผู้ใดเลยเป็นอนนว่าขอเริ่มต้นในในการฝึกทิดยอยู่คุยานกันเลยทีเดียวเรืงหรับวันนี้จะพูดตามแบบก่อนตามแบบก็คือว่าท่านบอกว่าคนที่จะฝึกทิดยอยู่คุยานถ้าเป็นอาธิกรรมิกาบคุคคล คำว่าอาธิกรรมมีกับบุคคลหม่ควารรมว่าบุคคลที่ไม่เคยได้ทิดอยคุยานมาเลยในชาติก่อนเป็นคนใหม่แท้ๆในชาติปัจจุบันถ้าไม่เริ่มทำแบบนี้ตอนนี้ก็พูดกันถึงคนมีสมาธิแล้วไม่ใช่ไปย่มตอกมาตั้งแต่อารมณ์พงสา่านเรื่องการกาจัดอารมณ์พงส่านได้พูดมาแล้วตอนหนึ่ง ทัศเศธเาวเทพมีอยู่แล้วถ้ามีความสนใจก็ไปหาเอาที่นั่นเราจะทำอะไรก็ตามจะเข้าฌานสมาบัติอะไรก็ตามมันอยู่ที่อารมณ์พุ่งซ่านหรือไม่พุ่งซ่านเท่านั้น <c oughs> ว, วิธีแก่อารมณ์ฟุ่งซ่านก็เป็นการแก้ไม่อยากทำง่ายๆถ้าสนใจจริงๆประเดี๋ยวมันก็ได้มันอยู่ที่กําลังใจอย่างเดียวไม่ใช่อยู่ที่ครูบาอาจารย์ หรือว่าไม่ใช่อยู่ที่หลักวิชาการสอนอะไรมากนะักหลักวิชาพระพุทธเจ้าให้มาแล้วครบถวนครูบาอาจารย์แนะนำมันแล้วแต่เราไม่เอาจริงสักอย่างอะไรมันจะได้เป็นอะารตอนนี้เราก็ไม่ต้องมานั่งพูดกันถึงว่าแก้อารมณ์พุ่งอารมณ์ซ่านอารมณ์ไปทางไหนจะไปทาไหนถือว่าเป็นนักเรียนที่เริ่มเข้าประถมปีที่หนึ่งแล้ว เรื่องการแก้อารมณ์โง่ซ่ามันเป็นเรื่องของอนุมบานเท่านั้นปตมทปีที่หนึ่งที่จะเข้าก็คือเข้าทิพยจุ ย, ยานคําว่าทิพยจคุ ย, ยานแปลว่ามีความรู้เหมือนตาทิพยไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพยรวมความว่าอารมณ์ความรู้สึกของเรามีความรู้เหมือนตาทิพย นี่การจะสร้างอารมณ์เความรู้มนตาทิพย์เขาทำกันยังไงนีวันนี้สอนตามแบบพระพุทธโคสอาจารย์แ่งตัดแตงกล่าวไปว่าให้ใช้เจ้สินสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในเจ้สินสามอย่างนี้คือหนึ่งเตโชกสินใน ก, การเพ่งไฟ สองโอทาเดกะสินแลก้การเพ่งสีขาวสามโอารโลกบสินแลกการเพ่งแสงสว่างนี่ตามแบบนี่คำว่าเพ่งในที่นี้หมายความประจําก็มีนักปฏิบัติหลายท่านพอบอกแบบนี้เข้าท่านจะไปนั่งจ้องไปเพ็ง ต่อมาก็กลับมาบอกว่านั่งจ้องไฟจนน้ําตาไหลแสบตานี่เป็นนั้นว่าท่านเป็นนักปฏิบัติที่ตรงจริงๆและตามที่เขากล่าวกันบอกว่าเถ็นตรงไม่คดไม่คงตรงเดแต่ตรงเ ด, งเดในที่นี้ก็ไม่โดนเป้าหมายเป้าหมายจริงๆคําว่าเพ่งในที่นี้่หมายความให้ลืมตาดูแสงไฟ แล้วจำลักษณะของไฟไว้ไม่สนไม่สนใจกับเปลวดูว่าแสงไฟมีลักษณะอย่างไรแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงภาพของแสงไฟถ้าภาพของแสงไฟเรือนลางหายไปแล้วก็ลืมตาดูใหม่ดูใหม่จำได้แล้วก็หลับตาไม่ใช่เพ่งจะน้าตาไหลดูเปลี๋ยวเดียวมันก็จาได้แล้วก็ นึกถึงภาพแสงไฟจนกระทั่งแสงไฟปรากฏอยู่กับใจเราจะนั่งอยู่เราจะยืนอยู่เราจะเดินอยู่ทำอะไรอยู่ก็ตามความจริงแสงไฟในขณะนั้นไม่มีแต่เรานึกขินภาพนั้นอยู่เสมอนึกขึ้นมาบรารนึกขินภาพนั้นได้ทันทีว่าลักษณะแสงไฟเป็นยังไงมันติดใจอยู่เป็นปกติไม่ใช่ติดตา แล้วสับวเชื้อบ้คเาเรียกวาภาพติดตาในความจริงไม่ใช่ติดตามาติดใจใจนึกเห็นภาพนันอยู่เป็นปกติอย่างนี้อย่างหนึ่งหรือว่าถ้าเราจะดูไฟมันไม่ถนัดเราจะดูสีขาวถนัดกว่าก็ใช้ได้ลักษณะอาการที่ทาเป็นสะ ด, ดึงอะไรต่ออะไรแต่มาไม่ขออธิบาย ก็เห็นว่าไม่มีความจําเป็นท่านที่ปฏิบัติกันมามากท่านก็ไม่ได้เอาตามแบบนักท่านอยากจะดูไฟไฟเทียนไฟคบเพลิงไฟตะเกียงท่านก็ดูขึท่านสง่งหรือไปหานตามแบบตาบัดก็ไปเอาตั้งท่าตั้งทางกันอยู่นั่นเรื่องตั้งท่ามากแต่มันหากินยากเอสมมุิว่าเราไม่ชอบแสงไฟแล้วก็ชอบสีขาว แล้วก็มองดูสีขาวจะเป็นผ้าขาวตึกขาวโลขาวกางเกงขาวเสื้อขาวอะไรขาวมันก็ใช้ได้ให้มันขาวก็แล้วกันอีกก็จําภาพสีขาวนั้นในลักษณะเดียวกับการเพ่งไฟจะไปจ้องเปล่งเสกจนกระทั่งไม่กับพิภูไม่กับ้ตาณ้ําตาไหลแสบต า, าใช้ไม่ได้เขดูเขจําได้แล้วก็ดับตานลย แม่สีขาวเราไม่ชอบแล้วก็ชอบแสงสว่างแล้วก็ดูแสงสว่างก็ใช้ได้แสงสว่างใครไม่รู้จักก็แล้วไปว่าอะไรมันสว่างยังไงมันนั่งจำจี้จำชัยมันก็เด็กมาสองสาวันมันก็เต็มทีเป็นอันว่าเรารู้ลักษณะกสิ่นสามรายการเป็นกระสินพื้นฐานที่จะเป็นเหตุให้เกิดทิศจักรุยาน่เนอเราปฏิบัติกันเขาทำยังไง การจริงเรื่องนี้เป็นของไม่หนักสําหรับท่านที่ปฏิบัติกันมาได้แล้วท่านทําแบบเบาๆจําภาพแสงไฟก็ดีจําภาพสีขาวก็ดีจําภาพแสงสว่างก็ดีเวลานั่งอยู่ทําอะไรอยู่จีตก็นึกถึงภาพนั้นเป็นปกติเดินไปอยู่ไม่มีใครพูดคุยหรือว่ามีคนพูดคุยแล้วก็ช่างคิดแล้วก็เห็นภาพนั้นอยู่เป็นปกติ อย่างนี้เรียว่าอุปจารสมาธิเริ่มเป็นอุปจาระชานอุปจาระสมาธิเข้ามาถึงจิตอาตมาจะไม่บอกแสงสีว่าแสงแผวพ่าวเป็นตระกายระยับความจริงมันไม่มีความจำเป็นนักความจำเป็นมีอย่างเดียวันนึกขึ้นมาเมาื่อไรเห็นภาพนั้นได้ทันทีหรือเปล่า แต่นึกขึ้นมามื่อไรเห็นภาพนั้นได้ทันทีแล้วมันทรงอยู่นานหรือไม่นานเรื่องการทรงตัวนี่ก็มีความสําคัญถ้าทรงตัวอยู่ได้ไม่นานญาณที่เราจะเพ่งรู้ที่เรียกกันว่าทิฏฐิภูยานมันก็ทรงตัวไม่นานเหมือนกันพูดกันคําหายไปเส็จแล้วจะพูดกันใหม่ก็ต้องตั้งท่าใหม่ภาพดีหายไม่ใช่เขาหายคือเราหายใจเราตก เังนั้นเวลาฝึกเราก็ควรจะใช้เวลาตั้งเวลาไปในตัวเอารูปประคำก็ได้มานั่งชักคิดว่าช่วระยะสิบเมตรของรูปคระคำหรือว่ายี่สิบเมตรครูประคำหรือ3่าสามสิบเมตรรระคำหรือ่าร้อยแตกของรูปประคำก็ตามอันดับแรกควรจะใช้น้อยๆก่อน นึกจับภาพภาพไฟภาพสีขาวภาพแสงสว่างก็ตามใจถ้าภาพสีไฟภาวนาวะเตโชกสินังถ้าภาพสีขาวก็ภาวนาวะโอทากสินังถ้าภาพแสงสว่างก็ภาวนาวะอาโลกสินังภาวนาไปจบบั้มบทหนึ่งกระชักรูปรมเม็ดหนึ่ง เราคิดว่าในโลกในยะโล ก, กะคำสิบเมตดนี่หรือยี่สิบเมตดหรือสามสิบเมกะตามไม่ไม่เอาน้อยเราจะไม่ยอมให้ลมจิตคลาดไปจากภาพนิมิตที่ปรากฏคําว่าภาพนิมิตหมายความว่าภาพที่เราดูเห็นไหมเราจาําไหมเรื่องโปรดทราบดีว่าสมมุติว่าเราเพ่งเราตั้งใจจะจับภาพแสงไป ถ้าบังเอิญภาพแสงสว่างแล้วภาพขาวเข้ามาแทนที่ต้องตัดทิ้งไปทันทีหรือว่าภาพอื่นปลากดมันใช้กว่าต้องตัดทิ้งไปอย่างนี้เขาเรียกว่ากระสินโทษได้คืนไปยุ่งกับมันเข้าก็แสดง ว, ว่าจิตของเราไม่ทรงตัวหาสัจธรรมไม่ได้ไม่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะภาพนั้นภาพอื่นมาเราไม่เอานี่ต้องจําให้ดี ไม่ใช่ว่าภาวนาว่าพุทโธธรมโมโอังโคเห็นสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองแล้วไปยุ่งกับสีมีการทำอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของความดีมันเป็นเรื่องของการกระทำที่ผิดเป้าหมายผลมันจะเกิดได้ยังไงมันเกิดกันได้ก็เกิดขึ้นได้อย่างผิดผิดมันไม่ใคยเกิดแบบถูกไม่เกิดแบบผิดมีการตั้งเวลานี่เป็นเรื่องที่สคัญ ใหม่ๆเอาแค่สักรู้ว่าคำห้าลูกก็อย่างดีต่อต่อไปเมื่อความชำนาญแล้วก็แค่สิบลูกดิสิบลูกสามสิบลูกสี่สิบลูกห้าสิบลูกถึงร้อยแปดสิบลูกให้จิตสองตัวนี่ถ้าจิตสรงตัวได้แบบนี้แล้วเอาสักสิบนาทีนะสมมติเอาว่าถ้าเราตั้งอารมณ์นึกถึงภาพไฟภาพสีขาวภาพฟ้าสว่างก็ตาม ได้จิตทร อ, อารมณ์ได้สักห้านาทีถึงสิบนาทีอารมณ์จิตของเราไม่เคลื่อนจากภาพนั้นภาพปรากฏอยู่กับจิตเสมอแต่นักปฏิบัติจริงๆเนี่ยจะคุยให้ฟังเขาทํากันแบบนี้เวลาเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปในใจเขานึกหินอยู่ตลอดเวลาพระเวลาเดินไปวฏิบัติทุกวันึกหินตัไปตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับ เวลาจะเดินไปทุระที่ไหนนั่งรถไปทุระที่ไหนเห็นภาพนั้นจะต้องแดีไปยางกลับไว้ขณะใดาที่ว่างจากจิตที่เพิ่งพูดกันคุยกันนึกทำทุระขณะนั้นจิตเห็นภาพนั้น ท, ทันทีมีจิตต้องพล่องและต้องทรงอย่างนี้จริงจะได้ดีนะไม่ใช่ได้เร็วมีเราทำเอาดีกันเราไม่ได้ทำเอาเร็วกันแต่ความจริงมันของธรรมะอยา่าง นิว่ากันตามแบบเมื่อภาพนั้นปลายกฎกับจิตตามความประสงค์ตามเวลาที่เราต้องการในตามแบบที่ท่านพุทธโคสาอาจารย์ท่านตัดไว้ท่านบอกว่าถ้าเราต้องการเห็นนรกคําว่าในพิสุทธิมัจจว่าจงเพิ่ภาพนี้ให้หายไปขอภาพนรกจนปรากฏแทนเพราะว่าตามธรรรามันก็ยาวเหยียด พอจิตจับภาพลีภาพแจ่มใสให้ภาพนี้เป็นเครื่องไว้กําลังใจถ้าเราจะเห็นเราจะรู้สิ่งที่เราต้องการได้ระดับไหนไม่ขึ้นอยู่กับภาพนิมิตที่เราต้องการนั่นเองที่เราสร้างขึ้นถ้าภาพลีมิตนั้นชัดเพียงใดสิ่งที่เราต้องการเห็นมันก็ชัดเพียงนั้นสําหรับฌานโลกี ถ้าจะชัดอย่างดีที่สุดก็เหมือนกับอากาศขมุกขมัวเวลากลคยทำซึ่งว่ามีกำลังไม่สูงอะไรเลยมีกำลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเป็นอนุว่าตอนนี้เราก็เข้าใจไอ้าำว่าเราต้องการจะเห็นภาพดารกหรือภาพสวรรค์คนตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนเราก็ทำแบบนี้ เอาจิตจับภาพนิมิตให้ทรงตัวแล้วก็นึกถึงภาพที่เราต้องการจะเห็นภาพนั้นจะปรากฏแทนแต่ว่าอย่างนี้ทุกสิ่งจะยุง่งยุ่งสักนิดนี่ตามแบบถพามว่าจะยุ่งก็ต้องทำนี่การเห็นถ้าจะถามว่าตรงตามความเป็นจริงไหมอันดับนี้เรื่องอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับใจของเรา วัยใจเขาเราเวลาที่เราทรงสมาธิเนะี่ยเราทิ้งอุปาทานหมดหรือเปล่าถ้าเราทิ้งอุปาทานหมดเราก็เห็นภาพนั้นได้จริงถ้ า, าอุปาทานคือสมมติว่าเขาเคยเคยเห็นภาพเขียนจากเทวดาจากผ้าผนังหมดเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีมีผ้าโน่งเรียบร้อยแต่ว่าไม่มีเสื้อใส ภาพที่จาได้แบบนี้เป็นภาพอุพาทานถ้าเวลาเราต้องการเห็นทเวทเวดาเทวดาก็ปรากฏมีผ้าเรียบร้อยแต่เสื้อไม่มีใส่มีเส้นวานสองเส้นคลองมามันก็ภาพเขียนนี่เทวดาเนี่ยนะถ้าทางนางผ้ามาในภาพแบบนั้นแล้วก็ยยงพระนมหนมและกีอะะบออนร้อนเป็นไฟระวังให้ดีนะ นีเรื่องคู่ป่าทานเทว ด, ดาน่าสวยนางฟ้าสวยถ้าสภาว่าอย่างนี้เกิดขึ้นสมมุติว่าป ร, ปรากฏก็มีภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจริงๆความจริงก็น่าจะเกิดแบบนั้นเพราะเราเคยเห็นแบบนั้นถ้าเทว ด, ดาท่านมาจริงๆอาจจะต้องสแสดงแบบนั้นเพื่อให้เราเข้าใจว่าท่านเป็นเทว ด, ดาทีนนี้ถ้าบังเอิญเห็นแบบนั้นแล้วเราก็ต้องรวบรวมกําลังใจให้ส่งตัว ว่าถ้าท่านเป็นเทวดาจริงสภาวะแห่งความการแต่งตัวของท่านมีสภาวะเป็นยังไงสมัยความใหม่สภาวะสภาวะนีมะ่มายมันยุ่งอดพูดไม่ได้ถตเมื่อตามปกติท่านแต่งกายเป็นยังไงเขาได้โปรดแต่งตามนั้นภาพนี้เป็นภาพเขียนที่ติดตามมาติดใจมาไม่ขอยอมรับสนะที ถ้าเป็นเทวดาจริงขอให้สแสดงภาพจริงของท่านให้ปรากฏและจิตใจก็ทรงอารมณ์ไว้ตามเดิมเท่านี้เองสภาวะแห่งความเป็นเทวดาของท่านก็จะปรากฏตามความเป็นจริงนี่เรื่องกำลังใจก่อนที่จะกาหนดรู้นี่เป็นเรื่องสําคัญมีการทำอย่างนี้ได้ถ้าเรียกว่าทิฏฐิคุยาน เราทิพย์ไปจะอคอยคุยยานี่มีประโยชน์ความจริงวิธีปฏิบัติก็ไม่มีอะไรยาก <c oughs> ตึงของธรมธรมดาธรรมดาที่เราสามารถจะชนะอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตได้ที่อย่างเดียวเราไม่สซ่านมันทั้งหมดอะซ่านในด้านความรักในกามารมเราก็ไม่สซ่านซ่านในด้านความโกรธความเยาบาดเราก็ไม่ซ่าน <c oughs> สร้างในการง่วงเหงาเฮานอนเราก็ไม่สั่นสร้สางคิดถึงอารมณ์ภายนอกเราก็ไม่สั่นสร้สางไม่ได้ในความสงสัยเราก็ไม่สั่นปักมันตรงเข้าไว้สร้างกำลังใจปักปักตรงดิ่งในอารมณ์ที่าอารมณ์ที่เราต้องการไน้นิยต์ที่เราต้องการนี่ความจริงมันก็แค่นี้ไม่เห็นจะมีอะไรมากไม่มีอะไรหนัก สำหรับท่านที่บอกว่าทำไม่ได้ความจริงการทำแบบนี้มันลงทุนสักเท่าไหร่ถ้าเราจะเอากันจริงๆแล้วก็ครั้งละห้านาทีพอนั่งจับภาพไฟก็ดีภาพสีขาวก็ดีภาพแสงสว่างก็ ด, กดีลืมดา ด, ดัวรมจับปรรมให้ทรงตัวให้ได้ภายในห้านาทีจะไม่ยอมให้จิตหลีกเลี่ลยงไปสู่สภาวะอย่างอื่น เรื่องสภาวะเนี่ยชอบฝุดนะักใครก็จะรู้เรื่องอ้ทีก็รู้ก็มีไม่รู้ก็มีเป็นอันว่าไม่ยอมให้จิตจับอารมณ์อื่นไปขาดให้จิตมันทรงตัวอยู่ตามนั้นนี่มันขึ้นอยู่แก่กำลังใจอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเลยเป็นของยากของลำบากแต่วถ้าว่าบรรดาทพุทธบริษัทวันนี้นี่มองโดนมารีกา เวลาที่จะแนะนำกันมันก็หมดเสร็จแล้วนี่ฉันหรับวันนี้ก็ขอยุติว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจง ม, มีเดบรรดานั่งท่านผู้นักปฏิบัติทุกท่านว่าทาใดดีองสมเด็จไปจอมไตรบริมศาสินดาสัมมาสัพพุทธเจา้าสมรุแล้วขอท่านอัหลายจงรู้ธรรมนั้นโดยฉับพลันเถิสวัสดี